เป็นเงินเช้าไฟฟ้าอยู่หลายคืนแนละ้วสามหรือสี่คืนปกติภาวนานะอยู่เข้าที่ภาวนาเนี่ยวันที่สามวันที่สี่อะไรอย่างถึงจะดีวันแรกๆยังฟุง้งๆพวกเรามาภาวนาเนี่ยส่วนใหญ่ในจุดนี้นะัไน่คือการปรับพิฐิ จุดตั้งต้นนะถ้าทิฏฐิถูกสลายการปฏิบัติที่เหลื อ, อยังง่ายถ้าทิฏฐิผิดนะการปฏิบัติจะยากที่สุดแบบเลือดตากระเด็นนะเราไม่ได้ผลเพราะเริ่มต้นเราต้องเรียนต้องฟังจนเราได้สัมมาทิฏฐิขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติการที่ฟังครูบาอาจารย์พูดเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิภาคปริยัติ อาศัยสัมมาทิฏฐิเรารู้ว่าเราจะปฏิบัติทำอย่างไรเราจะทําปฏิบัติทำเพื่ออะไรอย่างไรพอเรารู้วิธีแล้วเราก็ต้องอไปปฏิบัติต่อต้องทําให้ได้ในชีวิตจริงๆของเราตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตื่นจนหลับงานข้ามภบข้ามชาติไม่ใช่งานเล่นๆแต่ถ้าเราจะภาวนา แบบไปอยู่ในโลกอย่างมีความสุขนะแล้วก็ภาวนาก็ต้องทำให้เต็มที่นะเพราหยุดเมื่อไหร่ความทุกข์ก็ตามมาเมื่อนั้นแหละทำให้เต็มที่เต็มที่ของหลวงพ่อหมายถึงว่าตื่นขึ้นมาแล้วก็คอยรู้สึกเลยรู้สึกไปินหลับยกเว้นเวลาที่เราต้องทำงานที่ใช้ความคิดในขณะนั้นไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เพราะราต้องไปรู้เรื่องราวที่เราคิด นนเวลาที่เราทำงานที่ต้องคิดเนี่ยไม่ใช่เวลาทำนิพพานจะเป็นเวลาทำมาหากินจดจ่ออยู่กับงานหมดเวลานั้นแล้วเนี่ยพยายามรู้สึกไหมนะในชีวิตธรรมดานี่เองที่ลงพ่อพูดให้ฟังทุกวันตั้งแต่ตื่นนอนจะกินอาหารจะขับถ่ายจะอาบน้ำจะขึ้นรถจะทำอะไรจะคุยกับคนจะทั้งจะดูทีวี เราก็ดูไปดูใจของเราไปสังเกตเห็นระยะระยะไปดัการภาวนาเนี่ยถ้าเรามีหลักแล้วนีการภาวนาก็จะอยู่ในชีวิตเราเนทําได้ทั้งวันถ้าเราคิดแต่ว่าภาวนาต้องทําตอนเข้าวัดเข้าคอร์สนะปีหนึ่งจะเข้ากี่คอร์สในชะ่ไเข้าวัดไปกี่ชั่วโมงเวลาส่วนใหญ่เราอยู่กับโลกข้างนอก นั่นเท่ากับเราพอนา น, นิดเดียวแล้วเราหลงโลกตั้งนานมันไม่พอสู้กันได้แต่ถ้าเราอยู่กับโลกลก็อยู่กับธรรมไปด้วยอยู่กับโลกแล้วอยู่กับธรรมอยู่ยังไงก็อยู่เห็นโลกกับธรรมเห็นโลกกับธรรมนะในชีวิตเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็มีคนชมเดี๋ยวก็มีคนด่าอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ได้โบนัสเยอะโบนัสน้อยอย่างเงี้ ในโลกกระทำทั้งหมดเลยจิตมันแปรขึ้นแปรลงเรามีสติคอรู้ลงไปเรื่อยๆโลกกระทำมันก็อยู่ด้วยกันตรงนี้ตรงที่เรามีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองเห<ม>็นเบื้<ม>องต้นนี้แล้วก็มาฟังให้รู้วิธีปฏิบัติเท่านั้นเองแล้วก็เอาไปทําเอาเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าช่วยเราได้ก็ช่วยได้แค่บอกวิธีปฏิบัติ พระพุทธเจ้าเองท่านเข่าถึงขนาดบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางเท่านั้นเองเราต้องเดินด้วยตัวเองศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาของนักต่อสู้ไม่ใช่ศาสนาที่ร้องขอให้ใครช่วยใครทำคนนั้นก็ได้นะถ้าทำถูกก็ได้สิ่งที่ถูกทาผิดก็ได้สิ่งที่ผิดรวมแล้วถ้าทำเราได้เท่านั้นแหละถ้าทำผิดหลายปีก็ซ้ำซากอยู่ที่เดิมไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ รู้สึกได้ด้วยตัวเองไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่คนรอบข้างรู้สึกได้ถ้าทำถูกนะในเดือนหนึ่งสองเดือนตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงที่ตัวเองรู้สึกได้คนรอบข้างก็รู้สึกได้เงน้นธัมมาแท้ๆนี่ไม่เน่ํนช้าหรอกที่เน่ํนช้าเพราะทําผิดทําผิดที่สาหัสที่สุดก็คือติดสมะถะ ติดแล้วก็เพ่งเพ่งเ้่งในรูปเดี่ยวนะก็อยู่อย่างนั้นหลายปีหลวงพอติดสมถะยี่สิบสองปีแกว่าติดสมถะมันก็ไม่เชิงนะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีไปต่อเราก็จําเป็นต้องทําอยู่แค่นั้นแหละเพราะทำได้แค่นั้นทําแต่สมาธิธมานาคานสติลเล่าให้ฟังอย่างหมดเปลือกไปแล้วนะนี่เห็นพวกเรานักปฏิบัติส่วนใหญ่ติดสมถนะนะั่นแหละ แล้วไม่ใช่ติดสำนักใดสำนักหนึ่งด้วยติดทุกสำนักแต่ทั้งสำนักที่บอกว่าทำแต่วิปัสสนาไม่ทำสมถะก็ติดสมถะเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้เรียนจิตศิษยาให้ดีไม่รู้ลักษณะของจิตว่าจิตชนิดใดเอาไว้ทำสมถะจิตอง่างไหนเอาไว้ทำวิปัสสนาเมื่อขาดความรู้เรื่องจิตศิษยาที่่องแท้แล้วนี่ ส่วนใหญ่เขาไปหลงทำสมถะแล้วนึกว่าวิปัสสนายกตัว อ, อย่างนะอย่างบางคนนั่งภาวนาจิตสงบแล้วคิดพิจารณากายเราคิดว่าการคิดพิจารณากายเป็นวิปัสสนาครูบาอาจารย์สอนมาชัดๆเลยนะอย่างหลวงพ่อพุธเนี่ยสอนมาบอกว่าสมถะเริ่มเมื่อหมดความตั้งใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิดโยวงปูเทศเคยสอน บอกว่าการคิดพิจารณากายเป็นปฏิปูลเป็นอาสุภะเป็นการแก้อาการของจิตแก้นิวรนแก้กิเลสแก้ชั่วครั้งชั่วคราวเป็นสมถะการคิดพิจารณากายเป็นธาตุเป็นขันไม่ใช่ปฏิปูลอาสุภะแล้วนะคิดเป็นธาตุเป็นขันคิดตรงเป็นไตรลักษณ์เลยก็เพื่อแก้อาการของจิตเป็นสมถะ นี่พวกเราบางทีเราคิดว่าการคิดพิเจรนากายเป็นมิปั ส, สนามิปั ส, สนาแท้แท้เริ่มเมื่อหมดความคิดพ้นความคิดไปแล้วเห็นความจริงความคิดกับความจริงเกิดพล้อมๆกันไม่ได้ความคิดนั่นแหละปิดบังความจริงไว้ความคิดนั่นแหละคืออภิสังขารมานปิดกั้นการมองเห็นความจริงไว้นี่นธรรมะอย่างนี้นะั่ไม่ค่อยได้ยินได้ฟัง บางทีครูบาอาจารย์ท่านก็สอนด้วยความเมตตานะเ อ, อ้าพุทโธพิจารณกายไปอะไอย่างเงี้ยเราเนึกว่าตรงพุทโธเป็นสมถะพิจารณกายเป็นวิปัสนาเที่จริงเป็นสมถะคนละแบบตอนแรกทําลมหายใจทําพุทโธเนี่ยจิตสงบพอจิตสงบ ก, ก็ติดนิ่งติดเฉยติดนิ่งติดเฉยเนี่ยจิตจะไม่มีทางเจริญปัญญาได้เลยท่านก็ออกอุบายแก้ให้ ให้จิตไม่ติดเฉยโลภมั่นแต่งกลอนไหมขันทาวิมุตสมังคีบอกระวังอย่าให้จิตไปติดเฉยวิธีที่จะไม่ให้ติดจิตจะติดเฉยก็ให้จิตออกมาทํางานให้ทํางานจิตทํางานอะไรจิตชอบทํางานคิดให้มันจิตคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่ปลอดภัยสําหรับสร้าหนุ่มเดนน้อยคิดพิจารณากายตัวเองนี่แหละปลอดภัยสําหรับส้าหนุ่มเดนน้อยไอคิดเรื่องอื่นไม่ปลอดภัย หรือคิดถึงพระพุทธเจ้ากระธรมพระสงฆนะ์คิดถึงธรรมะอนะไรเงี้ยคิดถึงใจรักในนี้เป็นะคิดถึงธรรมะนะคิดถึงตูป า, าจารย์คิดถึงเทวดาเทวดากนะ็คืออย่างคนดีๆอย่างพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวเราเนี้ยเป็นเทวดานะเทวดาในภาพมนุษย์นะเรียกว่าสมุติเทพนะคิดถึงท่านแล้วจิตใจเราอบอุ่นนุ่มนวลมีความสุขอนะไรเงี้ย หรือให้คิดถึงร่างกายเป็นชิ้นชิ้นนะผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอันนี้เรียกว่ากายคตาสติเรื่องที่ท่านคิดให้คิดมีสิบเรื่องเรียกว่าอนุสติสิบอนุสติสิเป็นเรื่องของสมรรคกรรมฐานคิดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้จิตไปติดเฉยพอจิตไม่ติดเฉยหมดเวลาที่จะพุโทโธพิจารณากายแล้วเวลาที่เหลือยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัว พราะฉะนั้นคำสอนของครูบาอาจารย์วัดป่ารุ่นก่อนก่อนนี้จะสอนครบสามอันสอนทำความสงบเข้ามาก่อนสงบแล้วไม่ให้อยู่เฉยให้ออกพิจารณาพิจารณาพอสมควรแล้วกลับทำความสงบใจหมดเวลาถอยออกมายืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวหลวงปู่มั่นถึงสอนบอกว่าทำสมถธิทำความสงบมากเนื่อนช้าคิดพิจารณามากคุ้งซ่าน หัวใจสําคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งนอนต้องรู้สึกตัวงั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนก็คือเรื่องรู้สึกตัวนั่แล้วเรารู้สึกตัวขึ้นมาเป็นเราก็จะเห็นกายตรงตามความเป็นจริงเห็น จ, จิตใจตรงตามความเป็นจริงจะเห็นอย่างนี้ตามความเป็นจริงคือเห็นอะไรคือเห็นไตรลักษณนะ์ครั้งหนึ่งพระเจ้าจอยู่หัวท่านไปเยี่ยมหลวงปเทศ ท่านถามหลวงปูเทศบอกว่าโลวงูท <Chase> <Those among degradation waiting> ี่สุดของศีลคืออะไรที่สุดของสมาธิคืออะไรที่สุดของปัญญาคืออะไรโลวปูเทศตอบในหลวงนะหลวงตอบที่สุดของศีลคือเจตนาวิรัตเจตนางดเว้นทําชั่วที่สุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิที่สุดของปัญญาคือไตรลักษณ์คือไตรลักษณ์ถ้าไม่เห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์เรียกว่าไม่มีปัญญาจริง เป็นปัญญาคื่นๆ ซ, ซ, ซ, ซึ่งไม่พอที่จะต่อสู้กิเลสเรนั้นที่เราภาวนาเนี่ยเพื่อให้เกิดปัญญาปัญญาก็คือการเห็นกายเห็นใจตรงตามความเป็นจริงว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทนเราบังคับมันไม่ได้ทนอยู่ไม่ได้เราบังคับไม่ได้เป็นไตรลักษณ์เราเห็นตามความเป็นจริงแล้วอะไรจะเกิดขึ้น เมื่อเห็นตามความเป็นจริงจะเบื่อหนายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นก็หลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วชาติสิ้นแล้วพรอาจารย์อยู่จบแล้วจิตที่ควรทำทาเสร็จแล้วจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกเฉะนั้นเราต้องเข้าใจทิศทางของการปฏิบัติให้ดีเราไม่ได้ภาวนาเอานิ่งเอาสงบการนิ่งการสงบเป็นการพักผอน เราต้องพาณาให้เกิดสัญญาเห็นความจริงของกายของใจอยากเห็นความจริงของกายของใจไม่ใช่คิดเอาเองต้องดูความจริงดูของจริงว่ากายจริงๆเป็นยังไงจิตใจจริงๆเป็นยังไงไปนั่งคิดเอาเองไม่ได้ผลหรอกการนั่งคิดเอาเองว่าร่างกายเป็นของสกปรกเคยเน่าอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันก็ข่มราคะได้ชั่วคราวเดี๋ยวราคะก็เกิดอีก มันเน่านะแต่ตอนนี้มันยังไม่เน่ามันยังสวยอยู่จะไปอย่างนี้จนะรู้สึกอย่างนี้แต่ถ้าเราเห็นราคะเกิดขึ้นมานะ้วราคะเบียดเบียนจิตใจเนี่ยสติรู้ทันราคะดับไปเลยนะไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีราคะเพราะไปเห็นสาวสวยนะนการเห็นสาวสวยก็เรามีบุญเราก็ได้เห็นของสวยช่วยไม่ได้ไมการที่เราได้เห็นของสวยหรือของไม่สวยมันอยู่ที่วิบาก ทำบุญมาดีเราก็เห็นของสวยเช่นเราเห็นสาวสาวสวยๆอะไรเงี้ยก็คนมันมีบุญน่ะไม่ใช่เห็นแต่ของน่าเกลียดแต่ว่าเมื่อเราไปกระทบไปตามองเห็นสาวสวยแล้วจิตเกิดราคะเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามไม่ได้อยู่ที่เห็นของสวยจิตเกิดราคะแล้วจะทํอยังไงถ้าไปพิจรารณาสาวว่าสาวนี้สโปรปกนะไม่งาม มีหนังหุ้มอยู่โดยรอบมีรูรั่วใหญ่ๆก้าวรูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโศโโรคไหลออกมาเป็นนิดนที่จะน่ายอย่างนี้คมราคาได้่วคสาวนี่เรียกว่าสมถะสมถานแต่ถ้าเห็นสาวสวยจิตเกิดราคารู้ว่ามีราคาเห็นจิตก็ไม่ใช่เราราคาก็ไม่ใช่เรานะภาพที่มองเห็นคือสาวก็ไม่ใช่เราอะไรๆก็ไม่มีเราเนะนี่เรียกว่าเดินนิพพานะ ถอดถอนความเด่นคิดลงไปมันจะแก้สัญหาได้ถาวรเหมือ น, นที่พวกเรามาเรียน3ามวันสี่วันเรียนเพื่อให้รู้วิธีนะรู้วิธีเราต้องรู้เป้าหมายรู้วิธีเป้าหมายของเราก็คือเราจะต้องรู้กายรู้ใจจนเห็นความจริงของกายของใจว่าเป็นไตรลักษณ์จนหมดความยึดถือกายยึดถือใจอจิตก็จะเข้าถึงวิมุตติพ้นเป้าหมายของเรา ส่วนวิธีการก็คือการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานการเจริญสติปัฏฐานมีสองส่วนส่วนที่เป็นสมถะกับส่วนที่เป็นวิปัสน <circulation>. าอย่านึกนะว่าทําสติปัฏฐานนะจะต้องเป็นวิปัสนาเสมอไปถ้ารู้กายถ้ารู้ใจแต่ไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เรียกว่าวิปัสนานะเป็นสมถะถ้าเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสนา ฉะนั้นหลายคนภาวนาจนะิตไม่เคลื่อนไปจักลมหายใจเลยรู้ตลอดนี่สมถะบางคนรู้ท้องของยุคจิตไม่เคลื่อนไปจักท้องเลยรู้ตลอดนี่ก็สมถะแต่ถ้าเราเห็นตัวที่หายใจอยู่ไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุตัวที่ฟองตัวที่ยุบไม่ใช่ตัวเราเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุถอดถอนความเห็นผิดต์ น, นี้นะคอยรู้สึกรู้สึกนี่นการเจริญปัญญาคนละเรื่องกัน หลวงพ่อถึงพูดว่านักปฏิบัติเกือบร้อยละร้อยนี่พูดแบบสุภาพนะหลังจากที่เวนมามากมายเลยหลวงพ่อตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วนะเที่ยวเวนดูสำนักโน้นสำนักนี้อาศัยว่าเราเป็นคนว่องไวแอบไปดูเขานะว่าเข้าภาวนายอย่างไงดูดูแล้วโอ้เกือบทั้งหมดคือสมถะเกือบทั้งหมดเลย ท, ทั้งที่บอกว่าทำมิปัจนา แต่มิปัสนาไม่ได้เพราะใครสําคัญผิดหลายเรื่องเลยอันแรกไม่รู้จักว่าจิตยังไงทําสมถะในวิปัสนาอีกอันหนึ่งไม่รู้จักอารมณ์ของสมถะและอารมณ์ของวิปัสนาไปคิดว่าถ้ารู้รูปนามต้องเป็นวิปัสนาไม่ใช่วิปัสนาคือรู้ไตรลักษณ์ของรูปหนามคนละเรื่องกันนะเพราะงั้นอย่างเรานั่งดูท้องของยุบเห็นร่างกายยกขายกเท้าย่างเท้าอะไรต่ออะไรหลหลา ย, ลายจังหวะเลย ตราบใดที่เราเห็นตัวอารมณ์ตราบนั้นเป็นสมถะถ้าเราเห็นลักษณะของความเป็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสสนาการที่เราเห็นตัวอารมณ์เรียกว่าอารามณูคณิชฌานเป็นเรื่องของสมถะถ้าเราเห็นไตรลักษณ์เรียกลักขณูคณิชฌานเป็นเรื่องของวิปัสสนางนั้นไม่ได้ตื้นตื้นะแค่ว่าเออฉันพิจารณากายเป็นปฏิปุรสุขะแล้วเป็นวิปัสสนาไม่ได้ตื้นอย่างนั้น นี่เราพวกเราหลายคนจะเสียโอกาสคือเราไม่ทันครูบาอาจารย์รุ่นก่อนสอนหลวงพ่อยังทันหลวงปู่ดูลหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรเงี้ยอาจารย์มหาบัวก็เคยเข้าไปเรียนกับท่านครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่จํานวนมากที่ไปเรียนกับท่านเข้าไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนก็เข้าไปด้วยความองอาจไม่มีความสะุกสะทานหวั่นไหวนะ แล้วไม่เห็นมีครูบาอาจารย์องค์ไหนบอกว่าดูจิตใช้ไม่ได้มีแต่ท่านสอนต่อยอดให้ทั้งนั้นเลยส่วนคนไหนถนัดจะรู้กายก่อนก็รู้ไปรู้กายก่อนก็รู้ไปแต่สุดท้ายก็ต้องลงมาที่จิตใครฝึกเอาใครเรียนใครฟังไปเัียนรู้นะว่าเราจะทำอะไรจะทาเพื่ออะไรจะทำอย่างไรต้องชัด ระหว่างที่ทําอันนั้นก็ไม่หลงไม่เปิดไปทําอันอื่นเสียการที่รู้ว่าเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรระหว่างทําไม่หลงไม่เปิดเรียกว่าสัมปชัญญะเป็นปัญญาเบื้องต้นเหมือนเป็นคนกํากับเส้นไม่ให้เราออกนอกรูก่นอกทางเพราะนถ้าเราจะทํำวิปัสสนาเราก็ต้องรู้ว่าทําเพื่ออะไรเพื่อให้เห็นความจริงของกายของใจจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจถ้าจะทําสมถะเพื่ออะไร เพื่อให้จิตใจสงบคนละวัตถุประสงค์กันเมื่อมันคนละวัตถุประสงค์วิธีการมันก็ต่างกันสมถะเนี่ยต้องการความสงบศัตรูของความสงบคือใจที่มันพุ่งสัานไปใจที่ไม่ตั้งมั่นอยู่กันเนื้อกับตัวใจที่หลงไปมันหลงไปด้วยแรงขับของกิเลส ท, ที่เรียกว่านิวรณนถูกกิเลสสักดันไป เช่นมันมีการมาฉันทะใจก็ไม่ตั้งมั่นมันอยากไปเห็นสวาวเยี้ยใจก็ไม่ตั้งมั่นมีพยาบาทใจก็ไม่ตั้งมั่นมัวแต่เกิดจอบิคิดเกลียดให้คนที่เราพยาบาทเกิดความลังเลสงสัยคิดหาเหตุหาผลใจใจก็ฟุ้งซ่านเกิดผลหูใจแล้วใจก็หมดเรี่ยวหมดแรงไม่มีกําลังที่จะทรงตัวอยู่ดังนั้ถ้าเราจะทําสมถะเราก็ต้องรู้สิวิธีการ มีทำอย่างไรเราจะไม่ให้จิตหนีไปฟุ้งซ่านไปแล้วก็พาจิตมาอยู่ในอารมณ์ันเดียวอย่างต่อเนื่องต้องเลือกอารมณ์ที่เราอยู่แล้วมีความตุกจิตถึงจะยอมอยูนะ่การจัดการกับจิตเนี่ยคล้ายๆเราเลี้ยงเด็กสักคนหนึ่งเด็กมันสนเหมือนจิตที่ฟุ้งซ่านนั่นเองเด็กมันสนมันหนีออกจากบ้านไปเที่ยวเล่นเราอยากให้เด็กเข้าบ้านบางคนโง่ ก็ถือไม่เรียวไปไล่ปีเป็นชาบ้านตีวันนี้นะั้นมันก็เข้ามานละเดี๋ยวมันก็ไปไปตีต้องตีมากขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเท่าขม่มการข่มไม้หรือจับมันเอาโซ่มัดไว้นี่คือสมถะนั่นเองข่มไว้แล้วเป็นการทำสมถะแบบใช้ไม่ได้จริงเพราะว่าเด็กไม่มีความสุขเด็กไม่อยากอยู่เป็นสมถะชั้นเรียวนะจิตไม่สงบจริงหรอก นี่เราอยากให้เด็กเข้าบ้านเอาขนมไปล่อมันมาไม่กินในติมเข้าบ้านมากินในติมแล้วอาบน้าหน้า น, ะนี่ต่อรองใช่ไหมอาบน้ำหน้านอนคาแป้งนอนเล่นเดี๋ยวมันก็หลับในการกจิตก็เหมือนกันเราต้องเลือกอารมณ์ที่จิตพอใจจิตไปรู้แล้วมีความสุขเช่นบางคนอยู่กับพุทโธแล้วมีความสุขก็อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วมีความสุขก็อยู่กับลมหายใจ อยู่กับท้องคองยุบแล้วมีความสุขก็อยู่กับท้องของยุบขยับมืออย่างหลวงพ่อเทียนแล้วมีความสุขก็ขยับมือไปอะไรก็ได้ไม่เลือกอารมณ์นะกรรมฐานสมถะกรรมฐานไม่เลือกหรอกขอให้มีความสุขก็แล้วกันแต่อย่าไปเลือกอารมณ์อกุศลนะอย่างตกปลาแล้วมีความสุขอะไรเงี้ไม่เอานะถ้าให้อาหารปลาแล้วมีความสุขอย่างนี้ใช้ได้เนี่ยพอจิตใจเรามีความสุขจิตจะสงบ เห็นเกไมความสงบไม่ได้เกิดจากการบังคับความสงบเกิดจากมีความสุขอย่างสังคมของเราจะสงบร่มเย็นถ้าคนมีความสุขใช่ไหมเนี่ยกระทั่งภาพใหญ่ๆนะสังคมจะสงบได้พ็ผู้คนต้องมีความสุขคนไม่มีความสุขสังคมก็ไม่สงบในบ้านจะมีความสุขได้ในบ้านก็ต้องมันจะสงบได้มันก็ต้องมีความสุขคนในบ้านถ้าคนในบ้านไม่มีความสุขในบ้านก็ไม่มีความสงบในจิตใจเราก็เหมือนกัน ต้องมีความสุขมันถึงจะมีความสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างสบายๆนะเกิดมีปีติมีความสุขมีเอกคตานะปีติจับไปมีความสุขนะเกิดอุเบกขาทนะี่เป็นความสุขที่ประณีตเป็นชั้นชั้นๆ้นขึ้นไปไม่ได้เกิดจากการบังคับไม่ได้เกิดจากการน้อมใจให้เคลิ้มเคลิมงอกแงก้งองแอันนั้นเป็นวิชาสมาธิวนะิชาสมาธิก็สบายดีเหมือนคนหลับใน พวกเราหลายคนชอบทำนะสมัยก่อนหลวงพ่อเห็นบ่อยเดี๋ยวนี้หลวงพ่อไม่ได้ไต่ไต่ตามบ้านคนไม่เห็นตกข้าก็เปิดเทปครูบาอาจารย์สมัยก่อนเป็นเทปแล้วก็นั่งสมาธินะเลือกเอาที่ครูบาอาจารย์เสียงนุ่มๆหน่อยนั่งสักเดี๋ยวเดียวก็เคลิม้มก็แกะก็แงกนะหมดเวลาเทปมันดีขึ้นมาก็วันนี้ดีจังสงบควาจริงสลบนะเลยสงบใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ เป็นมิจฉาสมาธิทําไปเพื่อพอบคูณกิเลสพอบคูณโมหะพอกคูณโลภะสามารถสมาธิจิตอยู่กัอารมณ์ัเดียวเท่าเครียดอยู่ในอารมณ์อันเดีย ว, อ ย, อ, ยยวอย่างมีความสุขไม่ขาดสติสงบก็สงบลงไปนิ่มๆนะรือเนื้อนะ ร, ร, รู้ตัวไม่ใช่หล่นรูปเลยลืมตัวเองไปไม่ใชนะ่เสร็จแล้วพอถอยออกจากสมาธนะิมารู้กายมารู้ใจโดยเฉพาะถ้า จิตถอยเอาจากสมาธินะเป็นนาทีทองของผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติโดยเอาสมถาะานําหน้าให้รู้ลงไปถึงความเปลี่ยนแปลงของจิตเลยในขณะนั้นจิตตะ ก, กี้นี้มีปีติตอนนี้ไม่มีจิตตะ ก, กี้มีความสุขตอนนี้ไม่มีจิตตะ ก, กี้เฉยๆตอนนี้ชักไม่เฉยล้วดินไปดิ้นมานี่เราจะเริ่มเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยหลวงพ่อพุทธท่านเคยสอนบอกตรงนี้คือนาทีทองนะ พวกเรารู้จักแต่นาทีทองที่จะไปซื้อของเพือไปจับฉลากเราไม่รู้จักนาทีทองของการปฏิบัตินาทีทองของการปฏิบัติน่ตอนที่จิตถอยออกจากความสงบเนี่ยหรือตอนที่ตื่นนอนคนไหนทําฌานไม่ได้นะตอนที่ตื่นนอนมาปุ๊บเนี่ยไม่ไดบมีสติรู้ทันจิตใจของตัวเองที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปต่อนหน้าต่อตาเนี่ยนาทีทองของการปฏิบัตินะส่วนนาทีทองของสังสารวัตรนี่คือขณะนี้แหละ ขณะที่เรามีโอกาสได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ฟังข์ทำในสังสารวัตรที่ยาวนานเนี่ยโอกาสที่จะได้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และได้ฟังข์ทำนี่ยากที่สุดเลยยากมากนะวันเวลาที่มีพระพุทธเจ้ามีศาสนาพุ้ธนี่สั้นมากอย่างสมัยบ า, บางพระพุทธเจ้านะพระมีปัด ส, สีพระสิขีพระเวสปูอะไรพวกนี้ พอท่านปรินิพพานแล้วสาวกรุ่นที่ท่านสอนไว้หมดแล้วเนี่ยไม่มีการสืบตอ่อศาสนานะขาดช่วงไปเลยอยู่ได้หนึ่งเจเนเรชั่นท่านแต่เจเนเรชั่นของท่านหลายหมื่นปีเจเนอเรชั่นของเรายุคนี้ใช่ไหมจริงๆเจเนเรชั่นจริงๆสามสิบปีนะช่วงช่วงคนแต่ว่าอายุค น, นประมาณเจ็ดสิบห้าปี มีพระพุทธเจ้าเราสอนจนถึงตอนนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีใช่ไหมหลายช่วงคนเลยถือว่าเป็นศาสนาที่ตั้งอยู่นานเนีย่ยเป็นนึกว่าสองพันห้าร้อยปีสั้นนะเทียบกับอายุแล้วผ่านคนมาได้หลายรุ่นถือว่าอายุยืนนะอายุยืนนานทําไมศาสนาของท่านตั้งอยู่ได้นานเพราะท่านบัญญัติพระธรรมวินัยไหมมี ทำสอนอะไรต่างๆมากมายพระพุทธเจ้าบางองค์พระวิปัสสีพระสิขีพระเบสปูท่านสอนนิดหน่อยเท่าที่จำเป็นไม่บัญญัติอะไรไม่เยอะท่านขนก๋วยน้อยที่ขนายน้อยก็ก็าอะไรถ้าะท่านโงพิจารณาแล้วว่าเอาไปหมดแล้วไอ้ที่เหลือนี้เศษเดนแล้วเอาไปไม่ได้ฝากไว้คนรุ่นต่อไป ให้เรียนนะโอกาสที่จะได้เรียนธรรมะมีไม่มากนะมีน้อยให้รู้สึกรู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจนะเวลาจะทำสมาธนะเรารู้กายรู้ใจไป <c oughs> รู้ตัวกายตัวใจนะแต่พอถึงขั้นทำวิปัสสนาเนะี่ยดูไตรลักษณ์ ธรรมะหายไปเลยเมื่อก่อนนะนเคยเจอแซนฮาบัวไปเทศงานหลวงปูดูลงานศพหลวงปูดูลพอท่านเริ่มเทศสองสามคำนะคนก็ถ่ายรูปไนใหญ่ถ่าย่ายแล้วแป๊แบๆบท่านก็หยุดเดี๋ยวท่านก็เริ่มพูดใหม่แล้วคนละเรื่องละลเรื่องก็ถ่ายอีกว้าแป๊ บ, บๆๆครั้งที่สามนะ หยุดได้ไหมหยุดเดี๋ยวนี้นะธรรมะหมดไปสามการแล้วคือสุูบาอาจาร์วัดป่าในเวลาแสดงธรรมนะแสดงออกจากใจไม่ได้แสดงจากสมองเงั้นถ้าใจของเราสงบใจของเราตั้งมั่นธรรมะก็จะแสดงออกมาอย่างประณีตทันทีเลยถ้าวันใดพวกโลกโลกมามากนะธรรมะก็จะเป็นอย่างโลกโลก วันใดนักปฏิบัติมามากธรรมะ ก, ก็เป็นเรื่องการปฏิบัตินี่หลบงพ่อสังเกตแลนะชาวกรปภมาเนื่ธรรมะของหลวงพอจะวนเบียนไปเรื่องสมถะบ่อยๆนะพวกเราส่วนใหญ่ติดสมถะอยู่นะดีแล้วที่ค่อยๆถอดถอนออกมาสมถะไม่ใช่สิ่งเลวสมถะเหมือนมีดนะมีดมีทั้งประโยชน์มีทั้งโทษใช้ไม่เป็นมีโทษแต่ส่วนใหญ่ใช้ไม่เป็นเอามีดมา แล้วก็บาดตัวเองทําสมถะแล้วทำให้ตัวงขาดสติแทนที่จะทําแล้วเพิ่มสติแล้นเราต้องคอยรู้สึกนะรู้สึกทาสมถะก็ต้องมีสติาภิปัสนาก็ต้องมีสติสติสาคัญที่สุดครูบาอาจารย์สอนนักสติจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจาเป็น mm hmm. โยมอย่าไปกังวลใจเนาะ เจ้าของโทรศัพท์อย hey. well, <engaging>. ่าไปกังวลใจนะอย่าให้ใจเศร้าหมองมันเปลือกันได้เปลือกันได้ระคังช่วยมีคราวหนึ่งนะมี สมัยอินเดียเป็นเมืองขึ้นอังกฤษควีนวิกตอรีใช่ไหม อ, นน Victoria, India, อะไรนั้นวิกตอรีก็เชิญพูดอินเดียเชิญอะไรเงี้ยคี่กินเรี้ยนเสร็จแล้วมีแก้วน้ำวางอยู่ทางข้างๆวา ง, า ง, างมีแก้วน้ำวางอยู่แขกไปถึงก็ตดเลยจริงเข้าไปให้ล้างมือ <laughs> พวกคุนนางอังกฤษนะแอบยิ้มเยอะกันใหญ่เลยนะยิ้มย่ วีนเนี่ยนาะยกน้ำอันนั้นขึ้นซดเลยทุกคนเลยซดหมดเลย <laughs> อินเดียก็เลยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอยู่นานเลยเ <laughs> นั้เราต้องไม่หัวเราะนะอย่าไปเยอะอาไอ้เพื่อนทำอะไรแตกๆกออกมานะทุกคนเปิรได้ตัดได้ เ, เชิญไปทานข้าวไป